วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริสัต์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อนำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่แก่ชีวิตเพื่อการบำบัดกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในชีวิตของตนให้หมดไปธรรมะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องกฎของชีวิตกฎของชีวิตก็เหมือนกับกฎหมายของบ้านเมืองบ้านเมืองเราก็ต้องมีกฎหมาย เพื่อที่จะรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองไว้ถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายไว้รักษาความสงบสุขของบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์ความเสียหายต่างๆชีวิตของพวกเราก็เป็นเหมือนบ้านเมืองเหมือนกันชีวิตของเรา ก็จะมีกฎของชีวิตไว้ให้คุณให้โทษกับชีวิตของเราถ้าเราไม่รู้เรื่องกฎของชีวิตว่าเป็นอย่างไรเราก็มักจะไปทําให้ชีวิตของเราวุ่นวายทำให้ชีวิตของเราเี็นแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อน ถ้าเรารู้เรื่องกฎของชีวิตเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตของเราเป็นไปอย่างปกติสุขเป็นไปปราศ จ, จากความทุกข์ต่างๆคนที่รู้จากกฎของชีวิตนี้ที่เป็นเหมือนกับพวกทนายความพวกทนายความนี้เขา เป็นคนที่รู้กฎหมายของบ้านเมืองเวลาใครมีความทุกข์ยากเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็สามารถไปปรึกษากับทนายความทนายความก็จะให้ความรู้เพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในการปรับชีวิตของตนให้อยู่เย็นเป็นสุข กฎหมายของชีวิตนี้ก็มีผู้รู้กฎหมายซึ่งเปรียบเป็นเหมือนพวกทนายความผู้ที่รู้กฎของชีวิตก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สามกทั้งหลายท่านรู้ว่าการดำเนินชีวิตของเราแบบไหนจะเป็นไปตามกฎของชีวิต ทำให้ชีวิตของเรานั้นไปอย่างราบรื่นไปอย่างสุขอย่างสบายปราศ จ, จากความทุกข์ความเสียหายความเดือดร้อนต่างๆ mm hmm. การที่เราได้เข้าหาพระศาสนาก็เท่ากับการที่เราได้เข้าพบกับทนายความนักกฎหมายของชีวิต mm hmm. เพื่อปรึกษา ให้เราเรียนรู้ว่ากฎหมายของชีวิตนี้มีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตของเรากฎของชีวิตนี้ก็มีอยู่สองกฎด้วยกันเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี้มีส่วนประกอบ สำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและจิตใจกฎของร่างกายกับกฎของจิตใจนี้เป็นคนกคนละกดกันเพราะร่างกายกับจิตใจนี้มีธรรมชาติไม่เหมือนกันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันจึงมีกฎที่มาเกี่ยวข้องไม่เหมือนกัน กของร่างกายนี้เราเรียกว่ากฎแห่งตายรักษกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎที่จะให้คุณให้โทษกับร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายของเรานี้มาเกี่ยวข้องด้วยก็คือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆ ในรูปแบบของลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎของตายรักณ์คืออ น, นิจจงแปลว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่คงเส้นคงวามีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับ ถ้าไปอยากจะให้ไม่เสื่อมอยากจะให้เจริญอย่างเดียวก็จะทำให้เกิดความทุกข์ที่ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากให้เกิดความทุกข์ก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่ยั่งยืนถาวรเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะรักษา เลิกควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้คือเป็นอนัตตาอนัตตก็คือเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีเป็นไม่เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเป็นก็เป็นเพียงชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวอยู่กับเราชั่วคราวเช่นร่างกายก็เป็นสมบัติชั่วคราว เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปพอร่างกายตายไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสิ่งต่างๆที่หามาได้ผ่านทางร่างกายก็หมดสภาพไปใจผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นโลกกระทำทั้งสี่ คือลาบยศสรเสริญสุกก็ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ใจมาตัวเปล่าๆแล้วถึงเวลาใจก็ต้องไปตัวเปล่าๆสิ่งที่ใจเอาไปได้นั้นก็คือบุญและบาปที่ใจได้ทำไว้ในขณะที่ มีชีวิตอยู่กับร่างกายบุญและบาปนี้ก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองใจนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายใจจึงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของตายลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจนี้อยู่ภายใต้กฎของกฎแห่งกรรม กรรมคือกรรมก็คือการกระทาของใจถ้าทำผ่านทางกายก็เรียกว่ากายกรรมถ้าทำผ่านทางวาจาก็เรียกว่าวาจีกรรมเมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลที่ใจขึ้นมาถ้าทำดีพูดดีก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่ใจถ้าทำบา ทำไม่ดีหรือพูดไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ใจใจนี่แหละเป็นผู้ที่รับผลของการกระทาไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปรับผลของบุญหรือของบาปแต่อาจจะมีส่วนถูกติดนั่งแหาไปด้วยก็ได้ เช่นเวลาที่ใจทําบาปไปทําผิดกฎหมายบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตํำรวจก็จะมาจับร่างกายไปลงโทษผู้ที่ทุกข์เดือดร้อนก็คือใจที่ต้องถูกร่างกายถูกจับไปลงโทษแต่บางครั้งทําบาปแล้วผลก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับร่างกายก็ได้เช่นทําบาปแล้วหลบหนีเจ้าหน้าที่ตํำรวจได้ หรือมีอิทธิพลทางการเมืองก็ดีทางการเงินก็ดีหรือทางไหนก็ดีสามารถที่จะล้มคดีหรือพลิกแพลงคดีให้ผิดกลายเป็นถูกไปก็ได้แต่เรื่องของผลที่เกิดขึ้นทางใจนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ได้ทำบาปแล้วเวลาทำบาปใจจะไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจ ใจจะมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมีความหวาดกังวลวิตกเบื่อว่าจะถูกจับไปลงโทษอันนี้เป็นวิบากที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางร่างกายก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่วิบากที่เกิดขึ้นกับใจนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกิดตั้งแต่เวลาที่เริ่มทำบาปเลยพอทาบาปสาเร็จปั๊บ ใจก็จะเกิดความวิตกกัง ว, วลหวาดกลัวขึ้นมาเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งอาจจะต้องคอยหลบหนีเล่าหน้าที่ที่จะมาคอยจับไปลงโทษถ้าสามารถหลีกเลี่ยงการจับไปลงโทษทางร่างกายได้แต่ก็จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะถูกลงโทษในโลกทิ่ที่เป็นที่อยู่ของใจได้ หลังจากที่ร่างกายตายไปใจก็จะแยกจากร่างกายใจนี้อยู่กับอยู่ที่โลกทิพเน่แต่ร่างกายนี้อยู่ที่โลกธกาตุโลกของร่างกายนี้เราเรียกว่าโลกธกาตุเพราะเป็นโลกที่ทำด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือเป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นน้ำล้วก็เป็นธาตุน้ำ เช่นลมหายใจที่เราหายใจก็เป็นธาตุลมความร้อนเราก็เรียกว่าธาตุไฟของแข็งต่างๆเช่นดินหรือวัตถุต่างๆที่เป็นของแข็งเราก็เรียกว่าธาตุดินบางทีธาตุทั้งสี่ก็มารวมตัวกันเช่นร่างกายของเรานี้ก็เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่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 อาหารเก่าอาหารใหม่เยอะในสมองศีรษะแล้วก็น้ําต่างๆน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ํำทะเลน้ําดีน้ําเหงื่อน้ํามันข้นน้ําตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามูกเป็นต้นอาการทั้งสามสองนี้เกิดจากการรวมผสมปรุงแต่งของธาตุทั้งสี่ที่เอาเข้าไปในร่างกายเราหายใจเข้าไปเราก็เอาธาตุลมเข้าไป เราดื่มน้าเราก็เอ า, าธาตุน้ำเข้าไปเรารับประทานอาหารเราก็เอ า, าธาตุดินเข้าไป mm hmm. เราได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์เราก็ได้าธาตุไฟเข้าไปขอาธาตุทั้งสีน่นี้มีปริมาณที่เหมาะสมก็จะผลิตอาการสาสิบสองขึ้นมาแล้วก็จะรักษาอาการสาสบสองนี้ให้เจริญเติบโตขึ้นมาตามลำดับ ตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ร่างกายก็จะเริ่มเอาธาตุสีเข้ามาด้วยตนเองตอนที่อยู่ในท้องแม่ก็อาศัยธาตุสีที่มีอยู่ในอยู่ในท้องแม่เป็นผู้หล่อเลี้ยงไปก่อนพอออกจากท้องแม่มาทารกก็ต้องเริ่มเอาธาตุสีเข้าไปในร่างกายของตนเอง โดยอาศัยการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในเบื้องต้นเพราะทารกที่เกิดใหม่นี้ยังไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ก็เลยต้องอาศัยพ่อแม่คอยให้คอยให้น้ําขอให้อาหารขอให้ความอความอบอุ่นคอยรักษาร่างกายไม่ให้เย็นจนเกินไปเพราะเกิดอาการเย็นแล้วร่างกายก็จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็ได้ถ้าขาถ้าธานอันใดอันหนึ่งบกพร่องไปมันก็จะทำให้น่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ปวดขึ้นมาน่างกายจึงต้องมีธาตุทั้งสี่คอยเติมอยู่เรื่อยๆเช่นลมหายใจก็ต้องมีลมหายใจเข้าไปอยู่เรื่อยๆน่างกายถึงจะอยู่ได้ถ้าขาดลมหายใจไปเพียงไม่กี่นาที ร่างกายก็ต้องยุติลงเส้นสุดลงถ้าขาดน้ําก็อาจจะขาดได้นานกว่าขาดขาดลมหายใจแต่ก็ถึงขีดหนึ่งร่างกายก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ําถ้าขาดดินคืออาหารร<ม>่างกายก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าการขาดลมขาดน้ําแต่ในที่สุดก็ต้องแต่ก็ต้องถึงแต่ความตายไปถ้าขาดธาตุไฟขาดธ<ม>าต ขาดความร้อนเช่นถ้าเราไปอยู่ในขั้วโลกเหนือหรือไปอยู่ในที่หนาวจัดแล้วเราไม่มีเครื่องนุ่งห่มไว้ปกปิดความหนาวจัดนี้ก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายขาดธาตุไฟได้เมื่อไม่มีธาตุไฟร่างกายก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้ร่างกายก็ตายได้เราจึงต้องคอยป้อนธาตุสีให้กับร่างกายอยู่ตลอดเวลา หายใจตลอดเวลาดื่มน้าเวลาที่เรากระหายน้ำรับประทานอาหารที่เรามีความหิว<ม>เวลามีอากาศหนาวเย็นเราก็ต้องมีเครื่องนุ่งหม่ไมไว้หุ้มห่อร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายหนาวจนเกินไป<ม>นี่แหละคือเรื่องของโลกธกาตุ<ม>เช่นร่างกายของพวกเรานี้<ม>ก็ทำมาจากธาตุสี่ไม่มีตัวตนไม่มี ไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลยเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่สามารถส่งกระแสจิตเข้ามาติดต่อกับร่างกายผ่านทางทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายเราส่งกระแสจิตมากาะที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเพื่อที่เราจะได้รับสัมผัส สิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดพธพาชนิดต่างๆพอรูปพอตาสัมผัสกับรูปพอตาเห็นรูปปัาบรูปนั้นก็จะวิ่งเข้าไปที่ใจผ่านกระแสของจิตที่ส่งมาเกาะที่ตากระแสที่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกาย พอมีอะไรมาสัมผัสกับอายตนะคือตาหูจมูกนิ้นกายสิ่งที่มาสัมผัสก็จะถูกส่งไปที่ใจที่อยู่อีกโลกหนึ่งใจนี้อยู่โลกที่ใจไม่ได้อยู่ในโลกธกาตุที่ร่างกายนี้อยู่เหมือนกับยาอมากาศที่ไปสำรวจดวงจันทร์อย่างนี้เป็นต้นยาอมากาศนี้อยู่ที่ดวงจันทร์ แต่ผู้ที่คอยควบคุมยานอวกาศคอยรับข้อมูลคอยส่งข้อมูลให้กับยานอวกาศนั้นอยู่ที่บนโลกเราอยู่ที่สถานีควบคุมยานอวกาศแต่ติดต่อกันได้ด้วยกระแสวิทยุกระแสวิทยุที่ส่งสัญญาณส่งภาพส่งเสียงหรือส่งข้อมูลอะไรต่างๆให้มาไปกลับกันให้ทั้งจากยะจากดวง จากยาอมอากาศก็สามารถส่งมาให้ที่ที่ขอการควบคุมบังคับได้ทางหอควบคุมบังคับก็ส่งข้อมูลไปที่ยาอมอากาศได้แต่ทั้งสองส่วนนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันฉันใดกายกับใจก็ฉันนั้นนั่งกายนี้อยู่ในโลกธาตุใจนี้อยู่ในโลกทิพย์เพราะว่าใจนี้เป็นธรรมชาติที่ต่างจาก ร่างกายร่างกายเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมอยู่ในโลกกับธาตุส่วนใจนี้เป็นธาตุรู้อยู่ในโลกทิพย์โลกที่ไม่มีรูปน้างหน้าตาเหมือนกับโลกของร่างกายแต่มีความสัมพันธ์ก็ตรงเนี้ยตรงที่ใจนี้สามารถที่จะส่ง สัญญาณกระแสกระแสจิตนี้มาเชื่อมกับตาหูจมูกนิ้วกายของร่างกายได้เพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายนี้เพื่อเอาไปเสกสาเหตุที่ใจต้องส่งกระแสวิญญาณกระแสความรับรู้นี้มาที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็เพราะว่าใจมีความอยาก ชอบเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะชอบเห็นรูปชอบฟังเสียงชอบลิ้มรสชอบดมกลิน่นชอบสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบที่ร่างกาย<ม>ก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปครอบครองร่างกายใจนี้จะไปครอบครองร่างกายตอนที่มีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่เวลาที่มีการประสมพันธ์กันระหว่าง พ่อกับแม่ก็จะมีมีเชื้อของพ่อซึ่งเป็นธาตุสี่ส่วนหนึ่งและเชื้อของแม่ที่เป็นธาตุสี่อีกส่วนหนึ่งมารวมกันพอมีการรวมตัวกันก็ก็จะมีธาตุรู้คือจิตะก็จะส่งกระแสวิญญาณมามาเชื่อมต่อกับร่างกายอันใหม่ที่กําลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา นี่แหละคือการปฏิสนธิของร่างกายของมนุษย์เราทุกคนจะเกิดการปฏิสนธิเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาได้ต้องมีสมส่วนด้วยกันส่วนของพ่อหนึ่งส่วนส่วนของแม่หนึ่งส่วนแล้วส่วนของดวงวิญญาณของดวงจิตอีกหนึ่งส่วนมาก่อมารวมตัวกันพอมีปัจจัยทั้งสามนี้ครบบริบูรณ์การตั้งครรภ์ก็เกิดขึ้นมา แล้วกระแสจิตนี้ก็จะติดก่อติดอยู่กับร่างกายไปจนกระทั่งออกมาจากท้องแม่แล้วก็ดูแลการเจริญเติบโตของร่างกายเพื่อที่จะได้พอร่างกายโตขึ้นจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการไปหารูปเสียงกลิ่นรสปฐพภะชนิดต่างๆมาเสษใจนี้เป็นเหมือนคนติดยาเสพติด เตดรูปเสียงกิดลดผลทพะใจเลยต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ร่างกายนี้ก็เป็นของที่อยู่ภายใต้กฎของตายลับคือเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็ต้องมีความเสื่อมมีความแก่มีความเจ็บแล้วก็มีความตายในที่สุดพอร่างกายตายธาตุที่มารวมกัน ที่สร้างร่างกายขึ้นมาก็จะแยกตัวออกจากกันนะเวลาคนตายนี่สิ่งที่แยกไปก่อนก็คือธาตุลมไม่มีลมหายใจเข้าออกหลังจากลมหายใจแยกออกไปแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็นธาตุไฟธาตุไฟก็จะออกจากร่างกายไปร่างกายของคนตายนี้ก็จะไม่มีความร้อนเหมือนกับร่างกายของคนเป็น เราไปจับร่างกายคนตายดูจะรู้ว่าร่างกายเขากับร่างกายเรานี้มีอุณหภูมิไม่เท่ากันเพราะว่าธาตุไฟได้แยกออกจากร่างกายไปเหลือแต่ธาตุน้ํากับธาตุดินที่ยังอยู่ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่เอาไปเผาหรือไปฝังธาตุดินธาตุน้ํามันก็จะค่อยๆไหลออกมาจากตามทวารต่างๆแล้วในที่สุดก็จะเหลือแต่ธาตุดินส่วนที่เป็นของแข็ง เหลือแต่กระดูกหลือแต่หนังที่เหี่ยวที่แห้งกรอบเป็นต้นแล้วถ้าทิ้งไว้ต่อไปก็จะผุพังกลายเป็นดินไปนี้คือที่มาที่ไปของร่างกายที่เราเรียกว่าอานิจจังคือไม่เที่ยงมีเกิดแล้วมีแก่มีเจ็บแล้วมีตายเพราะเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ และเป็นเป็นการแยกตัวออกจากกันของธาตุสี่เวลาที่ตายเวลาปฏิสนธินี้เป็นการรวมตัวของธาตุสี่เป็นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวของธาตุสี่แล้วก็เวลาตายก็เป็นจุดสิ้นสุดของการรวมตัวของธาตุสี่ธาตุสี่ก็แยกออกจากกันไป<ม>เป็นระบบที่ไม่มีใครสามารถไปห้ามไปเปลี่ยนได้ มันเป็นประบบของธรรมชาติเราเรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครแม้แต่ใจที่มาครอบครองก็ไม่สามารถที่จะมายับยัง้งระบบของการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายได้ใจเพียงแต่มีความสามารถที่จะใช้ร่างกายให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆมาเสบมาสัมผัสได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถที่จะไปะยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เพราะร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขขังอนัตตาใต้กฎของตายรักถ้าใจไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่าใจอยากจะใช้ร่างกายไปตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดใจก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของใจ อยากได้สิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์ใจของทุกคนที่มามีร่างกายนี้จะมีความอยากเหมือนกันก็อยากอยู่ไปนานๆอยากอยู่ไปตลอดอยากจะให้ร่างกายที่มีอยู่นี้อยู่ไปตลอดไม่อยากให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายเพราะเวลาแก่เจ็บตายร่างกายจะไม่สามารถไปหาสิ่งที่ใจอยากจะเสพมาเสพได้นั่นเอง เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายนี้ร่างกายไม่สามารถที่จะไปหารูปเสียงกิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆมาให้ใจเสพได้ใจจึงไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรแต่ความอยากที่ไม่ให้ร่างกายเป็นอะไรนี้มันขัดกับกฎของธรรมชาติกฎของตายลักษณ์ที่บอกว่าร่างกายนี้มันไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ร่างกายนี้มันจเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไปสร้างความทุกข์ของใจทุกนี้เป็นอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมคือคือเป็นทุกข์ที่เกิดจากในอริยสัจ ท, ทุกข์ที่เกิดจากความอยากเวลาใจเกิดความอยากแล้วไม่ได้สิ่งที่อยากได้ สิ่งที่จเกิดขึ้นในใจก็คือความทุกข์ใจความเศร้าใจความเสียใจเวลาเราอยากได้อะไรพอเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็อย่าไปอยากหาได้อยากอยากจะมีอะไรก็หามาแต่อย่าไปอยากอยากจนกระทั่งทุกข์ใจหาแล้วได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีถ้าถ้าทําแบบนี้ใจก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าหาแล้ว ต้องได้อย่างเดียวถ้าไม่ได้แล้วก็ก็จะต้องทุกข์ใจเพราะมันจะต้องมีวันที่จะไม่ได้ก็เ ร, เราอยู่ในโลกของที่ของอนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกของความไม่แน่นอนบางครั้งเราอยากได้อะไรเราก็ได้เราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาบางครั้งเราอยากแล้วเราไม่ได้เราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราเข้าใจกฎของใจรักษแล้วเราก็จะต้องรู้จักการควบคุมความอยากของเรา อย่าไปอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้หรือเอามาได้สิ่งที่ไหนที่เราอยากแล้วทำไม่ได้เราก็อย่าไปอยากมันเช่นอย่าไปอยากไม่แก่อย่าไปอยากไม่เจ็บอย่าไปอยากไม่ตายเพราะว่าเราไม่สามารถไปห้ามกฎของตายรักได้กดของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นั่นเองถ้าเรายอมรับความจริงยอมให้ร่างกายแก่ ยอมร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยยอมให้ร่างกายตายเวลาที่มันถึงเวลาที่มันจะต้องเกิดใจของเราก็จะสามารถอยู่อย่างไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้นี่คือความเข้าใจเรื่องของกฎของตายลักที่เกี่ยวกับร่างกายของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีและเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้ที่หามาจากในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโล ก, กาธาตุนี้ทามาจากาธาตุสี่ทั้งนั้นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็ทำมาจากาธาตุทั้งนั้นเป็นาธาตุทั้งนั้นทองคำก็เป็นาธาตุเพชรนินจินดาก็เป็นาธาตุเราไปให้ความสำคัญมันเองเราไปตั้งคุณค่าให้กับมันขึ้นมาเองแล้วก็เราก็ไปหลงไปยึดไปติดมันว่าเป็นสมบัติของเรา พอเราสูญเสียสมบัติเหล่านี้ไปเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงเป็นธาตุแล้วก็มันเป็นสิ่งมันไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราร่างกายของเราก็เป็นธาตุไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราไม่ใช่ตัวเราของเราอนัตตาแต่เราไม่หลงเราไม่มีปัญญาไม่มีใครสอนพอเราได้อะไรมาเราก็ไปยึดไปติดว่าเป็นของเรา แล้วพอมันเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆนไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมันจากเราไปหรือเราต้องจากมันไปเราก็เกิดความทุกข์ใจเศร้าใจตามมามแต่ถ้าเราได้มาพบกับทนายความของชีวิต<ม>ผู้รู้กฎของชีวิตรู้กฎของตายรักเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านก็จะให้คำแนะนำว่า<ม>อย่าไปยึดไปติดกับอะไร ที่มีอยู่ในโลกกถาส์นี้เพราะมันเป็นของโลกกถาต์เขามันมันไม่ใช่เป็นของใจใจเพียงแต่เป็นผู้ที่มามาสัมผัสรับรู้เท่านั้นเองผ่านทางร่างกายพอร่างกายตายไปปั๊บการสัมผัสรับรู้กับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ใจหามาได้ผ่านทางร่างกายก็จะขาดการติดต่อกันใจก็จะไม่สามารถรับรู้ต่อไปได้ว่า ทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือแม้แต่ร่างกายของตนเองเวลาที่ตายไปแล้วนี่ใครจะเอาไปทำอะไรอย่างไรนี้ใจไม่รู้แล้วอีกต่อไปเพราะไม่มีการสื่อสารผ่านทางร่างกายเพราะร่างกายนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ส่งข้อมูลต่างๆไปให้กับใจได้ต่อไปนั่นเองถ้าใจรู้ความจริงอย่างนี้ ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าการมาเกิดในโลกนี้นั้นมันก็เป็นการเกิดเพื่อมาแก่มาเจ็บมาตายเท่านั้นเองมาอยู่เพียงชั่วคราวทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆความสุขต่างๆที่หามาได้ก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะอยู่คู่กับร่างกายเท่านั้นพอร่างกายถึงแก่กรรมไปถึง แก่ความตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของร่างกายก็หมดสภาพไปกลายเป็นของคนอื่นไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมีกี่แสนล้านก็กลายเป็นของคนอื่นไปคนอื่นก็ยิ้มสบายรอให้เขาตายก็พอไม่ต้องทำอะไรรอให้คนที่โง่ไปหาเงินมาให้เขา คนฉลาดก็อยู่เฉยๆรอรับมรดกไปเท่านั้นเองไม่ต้องดิ้นลนให้เหน็ดเหนื่อยแต่คนฉลาดจริงๆก็ไม่เอาอีกครับมรดกเพราะรู้ว่าชีวิตของตัวเองก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องตายไปเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็รู้ว่าชีวิตของพระองค์นี้ถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องได้รับมรดกมรดกจากพ่อ จะได้รับการทานายว่าต่อไปจะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิเลยมีความมีความสามารถมีความเก่งกาจที่จะสามารถทำสงครามสร้างขยายแผ่อาณาจักรให้ใหญ่โตให้กว้างขวางได้แต่ท่านก็เป็นคนที่มีปัญญาท่านเห็นร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่ท่านหาได้ผ่านทางร่างกาย พอถึงเวลาที่ร่างกายของท่านต้องตายไปท่านก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้เลยท่านก็เลยไม่ไม่สนใจที่จะรอรับมรดกจากพ่อแต่กลับสนใจว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ใจของท่านนี้ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะทุกครั้งที่ท่านนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่จะตามมาต่อไป หลังจากวันแรกที่ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วใจของท่านเมื่อก่อนที่จะเห็นนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความล่าเรืงเพราะได้เห็นแต่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่แข็งแรงเห็นคนหนุ่มคนสาวเห็นแต่สิ่งที่ดีๆของของชีวิตแต่พอวันหนึ่งได้เสด็จออกไปนอกพระราชวางังเพื่อไปดูชีวิตนอกวังว่าเป็นอย่างไรก็ไปเห็น ส่วนของชีวิตที่เป็นส่วนของความทุกข์เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพ อ, อได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายครัง้งแรกแล้วรู้ว่าต่อไปพระองค์จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเท่านั้นความสุขที่เคยมีที่ได้จากการอยู่ในราชวังนี้หายไปหมดเลยตั้งแต่วันนั้นไปจิตใจไม่ค่อยมีความสุขเหมือนเหมือนเดิมเลยเพราะทุกครั้งที่คิดถึงอนาคตของร่างกายของตนเอง ก็รู้ว่าร่างกายต่อไปก็จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายแต่ก็โชคดีที่ได้เห็นนักบวชแล้วก็ได้คําตอบว่านักบวชนี้แหละเป็นผู้ที่สามารถที่จะไปปฏิบัติเพื่อที่จะกําจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้เลยทําให้พระองค์นี้มีความปรารถนาลึกๆอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องออกบวชอย่างแน่นอน แลในที่สุดก็ถึงวันหนึ่งพอถึงเวลาที่พระมเหสีได้ค้อโ อ, อรสออกมาพราะองคก็รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะออกบวชได้เพราะว่าการมีลูกก็เท่ากับการมีบ่วงมีบ่วงที่รัดจิตใจไว้เพราะความผูกพันของพ่อกับลูกพระองก็เลยตัดสินใจถ้าจะบวชก็ต้องไปในคืนนั้นเลยและต้องไม่บอกใครด้วย เขารู้ว่าถ้าบอกก็จะก็จะไม่มีใครยาอนุญาตให้ไปจะมีแต่คอยห้ามเพราะไม่มีใครอยากจะให้ไปอยู่แบบทุกข์ยากลําลบากเพราะชีวิตของนักบวชนี่อยู่แบบขอทานเป็นบหมามหากษัตริย์นี่อยู่แบบมหาเศรษฐีแล้วทําไมไปอยู่แบบขอทานทําไมจะได้ประโยชน์อะไรเขาไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจแต่พระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถานั้นเข้าใจว่าการไปบวชนี้ ไปบวชเพื่อที่จะไปหาเครื่องมือหรือหาวิธีที่จะมาสู้กับความทุกเวลาที่ร่างกายเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมาพองก็เลยต้องตัดสินใจออกบวชโดยหนีไปไม่บอกใครแล้วหลังจากนั้นก็ไปศึกษาไปปฏิบัติจนได้พบวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคือการใช้ การทำใจให้สงบรือการเข้าสมาธิเข้าฌานต่างๆเวลาใจเข้าไปในสมาธินี้ใจจะนิ่งสงบใจจะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเลยพอไม่มีความคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็หายไปชั่วคราวแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มเห็นร่างกายเริ่มนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมา ความทุกข์ใจก็กลับคืนขึ้นมาใหม่แต่พระ อ, องค์ก็อยากจะรู้ว่าทำไมถึงต้องมาทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเลยทำไมต้องทำต้องใช้วิธีเข้าสมาธิเพียงอย่างเดียวก็ไม่มีใครให้คำตอบได้ไปเรียนกับครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็รู้แค่วิธีการเข้าสมาธิ เวลากิดความทุกข์ใจเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าสมาธิไปเวลาร่างกายจะตายก็เข้าสมาธิไปแล้วใจก็จะไม่ทุกกับความความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายแต่พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าจะทํายังไงให้ความทุกข์ในความแก่ความเจ็บความตายนี้หายไปอย่างสิ้นเชิงพระองค์ก็เลยต้อง ไปค้นคว้าหาวิธีด้วยตัวเองจนในที่สุดก็ได้คำตอบว่าความทุกข์ของใจนี้นเกิดจากความอยากของใจนั่นเองอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอยากเพราะมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโสดสัพพะอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดาที่ไม่ได้เสบล้วจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนติดยาเสพติดหรือติดสิ่งเสพติด เช่นบุรีหรือกาแฟหรือสุราเนี่ยเวลาติดแล้วต้องคอยมีสิ่งเหล่านี้มาให้เสพอยู่เรื่อยเวลาที่ไม่มีไม่มีเสพดิจะรู้สึกทุกข์จะรู้สึ ก, กหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขพ่อองค์ก็เลยทรงเห็นว่าอวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้หยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะเพราะเมื่อหยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะได้ ใจก็จะไม่ทุกข์และการที่จะทําให้หยุดการเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็คือต้องเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นลดและร่างกายที่เป็นเครื่องมือนั้นเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานนแต่อ น, นิจจังคือเป็นของไม่เที่ยงเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาอยากจะเสพพอได้เสพก็มีความสุขชั่วคราวแล้วสักพักหนึ่งความสุขนั้นก็จางหายไปพอความสุขนั้นจางหายไปความอยากจะเสพใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาอีก แล้วถ้าไม่ได้เสกก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกวิธีที่จะทําให้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยก็คือต้องไม่เสกเหมืนเท่านั้น mm hmm. ก็ลองต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการทําตามความอยากไม่นําไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์แต่กลับทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นเกิดความอยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีที่จะทําให้ความทุกข์หรือความอยากหมดไปก็ต้องฝืนความอยากเท่านั้น ข้นความอยากด้วยปัญญาและข้ยความอยากด้วยสติคือสมาธิถ้ามีถ้าจิตมีสมาธิจิตก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เมื่อมีปัญญาสอนว่าการทำตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์และสิ่งที่อยากก็เป็นก็เป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขความอยากที่จะเสพสิ่งต่างๆก็จะหมดไปทันที พอไม่มีความอยากจะเสพแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนอเพราะว่าสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่มีความอยากเวลาไม่มีความอยากนี้ใจมีความสุขมีความสบายใจเวลาที่มีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่นี้ใจจะเริ่มกวนกระวายกระสรับกระสายขึ้นมาทันทีนักบาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพะว่าสาเหตุของความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยาก อยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดก็ต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่างกายอยู่ไปได้ตลอดเพราะรู้ว่าเวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายจะไม่ไม่สามารถใช้ร่างกายมาเป็นเครื่องมือในการเสบรูปเสียงกลิ่นลดได้ดังนั้นพอรู้ว่าการการเสบรูปเสียงกลิ่นลดด้วยความอยาก ผ่านทางร่างกายนี้เป็นวิธีการของการสร้างความทุกข์ให้กับใจวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ก็คือต้องยุติการเสพเวลาเกิดความอยากก็ฝืนให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นความสุขสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่ได้เป็นความสุขถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ภายในเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ฉลาดนี้เวลาเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี้จะไม่ไปพูบเหยื่อ พอรู้ว่าถ้าไปฮุบเยอะแล้วเดี๋ยวจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกนี้ท่านเห็นว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกิริยนี้มันมีเบ็ดตะขอเกี่ยวอยู่เบ็ดนั้นก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากจะเสพไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพเมื่อไหร่เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นม า, อ, าอันนี้แหละที่ทําให้พระเจ้าในที่สุดก็สามารถที่จะอ ยุดติดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายเพราะทุกครั้งที่มีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมา <S <S 1> <S 1> ท่านก็เลยเข้าใจเรื่องกฎของตายลักของร่างกายมีร่างกายก็ไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายเพราะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของชั่วคราว เป็นของที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ก็เป็นของชั่วคราวเกิดมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นของเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติไม่ใช่เป็นของของใครที่จะสามารถมาควบคุมบังคับให้เกิดเพียงอย่างเดียวไม่ให้ดับได้มไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีที่เกิดแล้วไม่ดับสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปเสพไปไปยากกับสิ่งเหล่านี้ mm. ก็จะต้องเจอกับความทุกข์เวลาที่มันเกิดการดับขึ้นมาเวลามันเกิดมันก็ให้ความสุขกับเราเวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเช่นเวลาราบยศสรรเสริญสุขเจริญเราก็มีความสุขกันได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ยศได้ตําแหน่งสูง ข, ขึ้นได้รางวรางวัลได้คนยกย่องสรรเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เวลานั้นเราก็มีความสุขกันแต่เวลาที่มันเสื่อมเนี่ยเป็นเวลาที่เราทุกข์กันเวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปไม่มีเงินใช้นใจก็ทุกข์ขึ้นมาเวลามาีมีการเลื่อนขั้นมีลดขั้นลดตำแหน่งลงหรือถูกปลดออกจากตำแหน่งต่างๆความทุกข์ก็เข้ามาเวลาที่ไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ แทนที่จะได้รับคำสรรเสริญกับได้รับคำคาราหานินทาขึ้นมาก็ทำให้ทุกข์ใจเวลาที่ไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของอนัตตาอริจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเจรมีเสื่อมอนัตตาไม่มีใครสามารถไปควบคุมัน ไ, ไปบังคับไปสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของของของตนได้ คนที่เข้าใจกฎใจรักก็จะไม่ต้องมาก็จะไม่ทุกกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ส่วนกฎแห่งกรรมก็คือกฎของการกระทำที่เกี่ยวข้องกับใจโดยตรงใจเราสุขหรือทุกข์นี้อยู่ที่การกระทำของเราของใจถ้าใจทำบุญทำความดีใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาสังเกต ด, ดูเวลาที่ท่านทั้งหลายทำบุญใส่บาตรช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน พอเราทําไปแล้วเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาใน ใ, นใจของเราอันนั้นแหละคือผลของบุญที่เกิดจากการกระทําบุญของเราเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกายร่างกายก็ยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมเปลี่ยนการทําบุญนี้ไม่สามารถไปทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะเพราะว่าเป็นเรื่องของใจไม่ใช่เป็นเรื่องของร่างกายทําบุญก็จะทําให้ใจมีความสุข ทำบาปก็จะทำให้ใจมีความทุกข์ทำตามกิเลสก็จะทำให้ใจทุกข์เอ็นทำตามความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะทำให้ใจทุกข์แต่ถ้าไม่ทาตามกิเลสือไม่ทำตามความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์เคยยอมให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายไปไม่ทำตามความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ดังนั้น ผู้ที่ต้องการที่จะกําจัดความทุกข์ทางใจก็ต้องละการกระทําบาปอย่าทำบาปทําบาปแล้วใจจะทุกข์ทุกข์ในขณะที่ทําแล้วบาปที่ทํามันยังสะสมอยู่ในใจเวลาที่ร่างกายตายไปบาปนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะพาให้ไปเกิดในอบายไปเกิดในเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างเกิดเป็นนสุลกายบ้างไปเกิดในนรกบ้าง เพราะนี่คือเหตุที่พาให้ไปเกิดนาบายเรียกว่าการกระทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมการพูดโกหกเป็นต้นการกระทำเหล่านี้จะนําไปสู่การสะสมบาปไว้ในใจพอเวลาร่างกายตายไปในใจเหล่านี้จะมีทั้งบุญและบาปที่เราสำทำเอาไว้สะสมกันอยู่ในใจขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีมากกว่ากัน ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะมีกำลังที่จะดึงให้ใจไปเกิดนอบายเ<ม>พราะบุญมีกำลังน้อยกว่า<ม>แต่ถ้าทําบุญไว้มากกว่าทําบาป<ม><ม>เวลาร่างกายตายไปบุญก็จะมีใจบุญก็จะดึงใจไปอยู่ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ<ม>สวรรค์นี้ก็อยู่ในโลกทิพย์<ม>บายก็อยู่ในโลกทิพย์ยกเว้นถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เราชานก็มีก็มาอยู่ในโลกกะาะธา อ น, นี้คือผลที่จะตามมานี่คือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้เกี่ยวกับจิตใจที่เป็นร่างทิพย์กายทิพย์ที่เราไม่สามารถมองมองเห็นได้แต่เรารู้ได้เพราะเรานี่มาเราเราอยู่ที่ใจเรานี่เป็นสิ่งที่ใจผลิตขึ้นมาสมมุติขึ้นมาว่าเป็นเราแต่ความจริงแล้วเราเรานี้เป็นเพียงแค่สมมติความคิดของใจสร้างขึ้นมาทั้งนั้น ใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นกายที่เป็นผู้ที่ทำบุญและทำบาปและเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังมีกิเลสอยู่ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ถ้าทำอะไรทำตามความโลภความโกรธความหลงอยู่ความโลภความโกรธความหลงนี้ก็จะพาให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อย แต่ถ้าสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวกับทางด้านจิตใจทั้งสองส่วนนี้ก็มีส่วนที่มันเกี่ยวพันกันก็คือความทุกข์ใจใจไปทุกข์กับร่างกายเพราะใจมีกิเลสมีความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็เลยทุกข์ แต่ถ้าใจได้มาศึกษาธรรมะแล้เรียนรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกขกับร่างกายก็ต้องอยากไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองเพราะว่าห้ามไม่ได้ห้ามร่างกายให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ทุกอยากหรือไม่อยากมันก็เปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่ถ้าอยากมันก็จะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าก็ต้องยอมรับความแก่ความเจ็บความตายดีกว่า พอรับความแก่ความเจ็บความตายแล้วใจก็ไม่ทุกข์กับมันเวลาร่างกายแก่ใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาร่างกายตายก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้ารู้สึกเดือดร้อนก็แสดงว่าใจยังทำใจไม่ได้เพราะว่าใจยังไม่สามารถมีกำลังมากกว่ากิเลสนั่นเองกิเลสยังมีกาลังมากกว่าความอยากยังมีกาลังมากกว่ายังอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ วิธีที่จะทำให้ใจมีกำลังมากกว่าความอยากก็คือต้องไปฝึกสติน <cool ั่งสมาธินั่นเองต้องพยายามฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบให้ได้เข้าสู่สมาธิให้ได้ถ้าใจเข้าสู่สมาธิได้แล้วนี้ใจจะมีพลังที่มากกว่าความอยากเพราะเวลาเข้าสมาธินี้หยุดความอยากได้แต่ถ้ายังเข้าสมาธิไม่ได้แสดงว่ายังไม่มีกาลังที่จะหยุดความอยาก ถึงแม้จะได้รู้กฎของตายรักหรือว่าร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ยังอดที่จะทุกข์กับมันไม่ได้เพราะยังไม่สามารถหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายได้แต่ถ้าไปฝึกสติไปนั่งสมาธิบ่อยๆทําใจให้มีพลังพลังหยุดหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดความคิดได้หยุดความอยากก็จะหยุดความอยากได้เพราะว่าความอยากต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ พอเราหยุดความคิดได้ความอยากมันก็ไม่สามารถทำงานได้ใจก็ไม่ทุกเวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายของร่างกายอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติกันเมื่อเรารู้กฎแห่งกรรมรู้เรื่องกฎของตายรักแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติตัวที่จะทำให้เราปฏิบัติได้ก็คือการมีสติมีกำลังที่จะควบคุมใจไม่ให้ไปทาบาป เช่นเรารู้ว่าถ้าเราทำบาปนี้เราจะสะสมความทุกข์ในใจแล้วสร้างนรกสร้างอบายขึ้นมาให้กับเราเวลาที่ร่างกายตายไปเวลาที่เราจะทำบาปเราก็ต้องมีสติมีกำลังที่จะหยุดการกระทำบาปให้ได้แล้วถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราไม่อยากจะไปอบายเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเรายังหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ ถ้าอย่างน้อยถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ขอให้เวียนว่ายตายเกิดในสุคติคือเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชั้นต่าง majestic, ๆเราก็ต้องหมั่นพยายามทําบุญให้มากๆทําบุญให้มันมากกว่าบาปที่เราทําไว้เพราะว่าเถ้าเราตายไปบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจให้ไปเกิดในสวรรค์ไปเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์จากสวรรค์ลงมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทําบุญรักษาศีลใหม่ แล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปเรื่อยๆถ้าเรายังไปไม่ถึงพานิพานเราก็ขอให้เราเวียนว่ายตายเกิดในสุคติไปก่อนแต่ถ้าเราอยากจะไปให้ถึงนิพานในภพนี้ชานี้เราก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิเราก็ต้องไปอยู่แบบนักบวชเพราะการจะฝึกสติฝึกสมาธิให้ได้ผลนี้ต้องจําเป็นจะต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับ ยกเว้นเวลาหลับตะนนั้นที่เราจะไม่มีการฝึกสตินั่งสมาธิถ้าเราสามารถปฏิบัติตลอดทั้งวันทั้งคืนจเจริญสตินั่งสมาธิได้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถเอาใจเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่สมาธิได้พอใจสงบเข้าอยู่ในสมาธิเราก็หยุดความอยากได้พอเรามีปัญญาเราเข้าใจกฎของตายรักเข้าใจกฎของของกฎแห่งกรรมเข้าใจกฎของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยาก เวลาใดที่เกิดความอยากเราก็ใช้สติหยุดมันเลยอ ย, อย่าทําตามความอยากอย่าสร้างความอยากขึ้นมาความอยากนี้เป็นตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราและสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาที่มันจะทําให้เราทุกเวลาที่มันเปลี่ยนไปเวลาที่มันเสื่อมหรือเวลาที่มันหมดไปนี่แหละคือวิธีที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎของกฎแห่งกรรมและกฎ ของตายรักได้นี้เราต้องมีจิต Doo ที่มีกําลังที่จะสามารถทำทำตามกฎของทั้งสองกฎนี้ได้เวลาอยาก <es> จะทําบาปเราก็ต้องมีสติมีกําลังที่จะฝืนไม่ไม่ไปทําบาปเวลาที่เราอยากจะทําอะไรด้วยความอยากเราก็ต้องมีสติมีกําลังที่จะฝืนไม่ไปทำตามความอยาก <S <S ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีกําลังที่จะฝืน การกระทำบาปได้ฝืนการกระทำตามความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องไปทุกกับทุกกับสิ่งที่เราไปอยากได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันก็เป็นอนิจจังไม่ท้าก็เร็วมันก็ต้องแก่เช่นอยากมาเกิดอยากมาเสด็จรูปเสียงกลิ่นลสก็ต้องมีร่างกายเพราะนั้นบอมีร่างกายก็ต้องมาทุกกับร่างกายทันทีเพราะร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นของชั่วค่าวมีเกิดมีแ ก, มแก่มีเจ็บแม้ตาย แต่ใจเราไม่อยากให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บแ ม, ม่นตายแต่ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นทุกข์เป็นเหตุของความทุกข์และการที่เราจะหยุดความอยากนี้ได้เราต้องมีสติมีสมาธิถ้าเรายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิเราก็ต้องไปฝึกสติฝึกสมาธิกันตั้งแต่บัดนี้ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี้เป็นเวลาเดียวที่เราสามารถจเจริญสตินั่งสมาธิได้เพราะเวลาเราตายไปแล้วนี่เราต้องไปรับผลมิบาของเรา ไปเกิดในอบายก็ไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์เราก็ไม่มีไม่มีความทุกข์ที่จะมากระตุ้นให้เราไปาไปปฏิบัติธรรมกันต้องรอให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเจอกับคนที่ฉลาดที่รู้กฎของตายรักษณก็คือจะต้องมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เรารู้จักกฎของตายรักษณรู้จักกฎแห่งกรรมเพื่อที่เราจะได้คอยกระทำตามตา ม, ตามกฎทั้งสองแบบนี้ กฎแห่งกรรมก็คือให้เราละการกระทําบาปให้เราทําแต่ความดีแล้วก็ให้เราชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยุติเกลความโลภความโกรธความหลงยุติความอ ย, ยากต่างๆส่วนกฎของตายลักเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีมันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ ลาบยศสารสเสินสุขที่เราได้มีกันมันก็เป็นของไม่เที่ยงมันมีเจริญนั่นมันก็ต้องมีเสื่อมไปวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วถ้าเรายอมให้มันเสื่อมยอมให้ลาบเสื่อมยอมให้ยศเสื่อมยอมให้สารสเสิญเสื่อมยอมให้สุขเสื่อมเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไม่ยอมเราอยากอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวอยากจะให้มันมีมีมีแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียว พอเวลาไม่สุขไม่เจริญมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องยอมเราต้องยอมรับความจริงว่าวันใดวันหนึ่งสิ่งที่เรามีอยู่ในวันนี้อาจจะต้องเสื่อมลงไปอาจจะต้องหมดไปชีวิตของเราวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องถึงวันสิ้นสุดของมันถ้าเรายอมรับได้แล้วเราสามารถทําใจได้ก็แสดงว่าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมได้ตามกฎของ ตายรักได้เมื่อเราสามารถปฏิบัติตามกฎของตายรักปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเช่นชีวิตของพระพุทธเจ้ากของพออระอรหันต์ท่านสามารถปฏิบัติตามกฎแห่งกรรมตามกฎของตายรักได้จิตใจของท่านก็เลยบริสุทธิ์ผุดผ่องจิตใจที่ปราศจากความทุกข์จิตใจที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราปฏิบัติเราก็จะได้อย่างเดียวกับ ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็กคือต้องมาศึกษาทำความเข้าใจกฎทั้งสองอันนี้กฎของชีวิตแล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้ถ้าเราปฏิบัติตามได้แล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจเราก็จะหมดสิ้นไปอ น, นี้ก็คือเรื่องของกฎของชีวิตที่นมามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวาอิโตชินนางเปตานางอุปกะปติอิชิต an ังปัติตังต um ุมหังคิดว่ามวาสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันทูปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขาโยโกภะวะอภิวาทนสีริสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมาวาทานติ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 ใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานากุกติจากทางเฟ c e b o o สองร้อยห้าสิบสามท่าน u t u b e พระสุชาติไลฟ์สามร้อยห้าสิบแปดยรวสี่สิบหกวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดคลับเฮา์สองนักกุฏิสองร้อยเก้ารวมทั้งหมดแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าท่านค่ะ Got mm, namaskar and f r a j a n Um, I wanted to say when I try to do breath meditation, anapanasati meditation, then many times in the beginning it is feeling nice and calm, but afterwards I feel oh, maybe I'm controlling the breath. Or I think, oh, I shouldn't meditate like this. I should meditate in some other way. Um, and a lot of these thoughts come in my mind. And sometimes I even think, oh, if I don't meditate correctly, I might have a heart attack. <laughs> so all of this goes on in my mind, and then I um, have difficulty in um, following the breath. So could you please guide me? You have to switch to chanting. Do some chanting or recite some short verses like Bhutan Sanang Kachami, h a m a n g Sanang Kachami. Because you might want to sing now, so then sing in terms of the Dhamma. h i n g of yes. Buto Dhammo Sanko, h i n g of Anicca Du Kamma Nata. Yes. Then after a while, you'll stop thinking. Then you can come back and watch your breath again. Okay. Okay. Okay. Try it out. See how it works. Okay. Thank you, f r a j e r Okay. How's your life in your new home? Okay. Um, it's actually been a little challenging. h uh, o u n t e o s h o c k maybe but, uh Because I'm not working anymore, mm. so at home now there's a little bit of tension. Oh, we're not earning money, and so on. Um, I think uh, maybe my wife feels a little more tense. I don't think so much about it. Um, but hopefully things will get little better there. Yeah. Uh, but I feel very happy to be able to take care of parents and yeah. practice dhamma. Yes. makes me very happy. You might have to change your style of living to adapt to your new reality. Yes, but you cannot so use adapt. your style of living anymore. Yes, much simpler. Yeah. We have to live much simpler. Less, less expenses yes. because you don't have much income like before. Yes. So yes. So you have to adapt. Okay, and everything will be okay. Thank you. t h a r n how you. to adapt to the yes. reality that you you are in. Don't cling to the old reality. It's gone. Back home, back in California, that's one life. Now back in India, that's another life. Yes. yes. Okay. Then there will be no tension. Okay. Thank good. you. Thank I you. I h u p e for... I hope you succeed and can continue on living happily and achieve what you are hoping to achieve. Thank you, คำถามจากผู้รับฟังนะกุติค่ะรู้โดยไม่ต้องคิดมีวิธีใดบ้างคะก็ใช้พุทโธก่อนไงคิดแต่พุทโธอย่างเดียวก่อนที่กระทั่งมันหยุดคิดแล้วเราก็มันหยุดพุทโธได้ต่อไปก็จะรู้เฉยๆถ้ามันคิดเมื่อไหร่เราก็ต้องพุทโธพุทโธเบรกมันไว้คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าเราไปทำบุญจำเป็นไหมต้องเขียนชื่อนามสกุลเพื่อที่จะได้บุญหรือถ้าไม่เขียนจะได้หรือไม่คะบุญไม่ได้อยู่ที่ชื่ออยู่ที่การกระทำของใจพอใจทาไปแล้วใจก็ได้บุญทันทีส่วนชื่อนี่มันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นสมมติมันไม่เกี่ยวกันแต่เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ก็แล้วแต่สถานที่ถ้าเขาขอชื่อก็ให้เขาไปถ้าเขาไม่ขอชื่อหรือไม่อยากจะบอกชื่อก็บอกว่าผู้ไม่ประสงค์ออกนามไปก็ได้ คำถามจากคุณวีว่าค่ะนั่งขัดสมาดปกติกับนั่งขัดสมาธิขัดเพสได้บุญต่างกันหรือไม่อย่างไรคะบุญไม่ได้เกิดจากการท่านั่งเกิดจากการมีสติทำใจให้สงบถ้ามีสติทำใจให้สงบนั่งท่าไหนก็ได้หาย ใ, ใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาก็จะได้บุญ คำถามจากคุณวีว่าค่ะการที่เราได้ทํางานที่ใดเจอหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานที่ทําให้เราทุกข์ใจเป็นกรรมเก่าของเราหรือกรรมใหม่ของหรือกรรมใหม่คระอาจารย์มันก็เป็นทั้งสองอย่างอาจจะเป็นกรรมก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของใจรักก็ได้เป็นความไม่แน่นอนเราเกิดมาในโลกนี้เราต้องเจอทุกคนทุกรูปแบบบางทีก็เจอคนดีบางทีก็เจอคนไม่ดีสลับกันไป เพราะต้องรู้จักทำใจเท่านั้นเองถ้าเราทำใจแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราเจอเรายอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะควรฝึกใจอย่างไรครับเพื่อดับความโกรธจากคําครหานินทาคาพูด ส, อส่อเสียดการถูกเบียดเบียนที่มีผลทางจิตใจครับ เราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้เขาเป็นเขาเป็นอนัตตาก็เป็นเหมือนเสียงจักราจย์ที่ร้องอยู่ตอนนี้มันจะร้องเราก็ห้ามมันไม่ให้ร้องไม่ได้เราสั่งให้มันหยุดมันก็ไม่ยอมหยุดงั้นเราก็ปล่อยมันร้องไปเราก็ไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราอยากให้มันหยุดแล้วมันไม่หยุดนี่มันเราก็จะเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีเพราะฉะนั้นอย่าไปทําสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้อย่าไปอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ อยาไปอยากให้เขาพูดดีอย่างเดียวไม่ให้พูดร้ายกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องทาใจท่านเองแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาคำถามจะพูดรับฟังนะ้ากุดค่ะในขณะที่ทำบุญไม่ได้คิดว่าทำเพื่อความอยาก แต่คิดว่าเป็นสะสมให้พร้อมทั้งทานศีลภาวนาต่อมาเมื่อมีเหตุเกิดวิกฤตในชีวิตเจอกลับไปคิดถึงบุญกุศลที่สะสมมาทําให้เรารอดหรือผ่านพ้นมาได้แบบนี้เรียกว่ากิเลสหรือเปล่าคะไม่หรอกความอยากทําบุญนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นวิธีฆากิเลสเป็นเครื่องมือฆากิเลสการอยากทําความดีอยากทําทานอยากรักษาศีลอยากจะไปบวชเหล่านี้เป็นความอยากที่ดี ความอยากที่จะนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ถือว่าเป็นกิเลสถ้าอยากรวยอยากเจริญในลาบยศสารเสรสุขเนี่ไม่ใช่ว่าเป็นกิเลสเพราะมันจะทําให้เราทุกข์เพราะมันมันจะมันมันจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติค่ะ โดนโกงสูญงเงินหกล้านบาทควรปล่อยวางหรือคิดว่าเป็นวิบากกรรมหรือควรต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ได้เงินคืนมาดีเจ้าคะเพราะถ้าต่อสู้ก็ต้องจ้างทนายแล้วก็ต้องมีเงินวางสารอีกและอาจต่อสู้คดีไปประมาณอีกปีหนึ่งสองปีถึงจะรู้ผลตอนนี้เครียดและสับสนมากรบกวนพระอาจารย์ชี้แนะด้วยเจ้าค่ะถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ปล่อยไปคิดว่าเป็น กรรมเก่าของเราเป็นหนี้เก่าที่เข้ามาทวงเกินไปก็แล้วกันเมื่อคิดว่าเงินที่ถูกขโมยไปมันไปแล้วมันก็ไม่กลับมาแล้วถ้ามันจะมากลับมาก็มันก็เรื่องของมันถ้ามันไม่กลับมาเราก็ไม่ไปกังวลกับมันคือปล่อยให้มันผ่านไปดีกว่าจะได้หายทุกข์ใจจะได้อยู่อย่างสบายคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะอรูปรพม ท่านเป็นพรหมที่ไม่มีรูปเพราะเห็นโทษของการมีรูปจึงไปเกิดเป็นอรูปพรหมที่ไม่มีอายตนะมีตนามรู้เข้าใจถูกไหมครับไม่ถูกหรอกเพราะว่าเป็นเรื่องของรูปประชานกับอรูปประชานคนที่ได้รูปประชานก็จะไปเป็นรูปพรหมคนที่ได้อรูปประชานคือความสงบที่เหนือกว่ารูปประชานก็จะได้อรูปพรหมคาว่าอรูปกับรูปนี้มันหมายถึงอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่เพียงแต่รู้ว่าเป็นความสงบสองระดับที่ต่างกันรูปรูปรูปประชา น, นี้มีความสงบน้อยกว่าอารูปประชานมีความสุขน้อยกว่าอารูปประชานคำถามสักทาง y u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะควรฝึกใจอย่างไรครับเพื่อให้อภัยตนเองจากเหตุการณ์ในอดีต ท, ที่เผลอสติแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีออกมาครับ ก็ให้รู้ว่ามันผ่านไปแล้วเรากลับไปทำอะไรแก้ไขไม่ได้ลบล้างมันไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเอามาสอนใจเราเป็นบทเรียนว่าต่อไปอย่าทำอย่างนี้เพราะทำแล้วจะทำให้เราไม่สบายใจคำถามจากทางเฟ e บ o o k ค่ะเห็นสภาวะความรู้สึกฝุดขึ้นกลางอกปฏิบัติมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะไม่ถูกหรอกนั่งต้องไม่เห็นอะไรอย่างเี้ดีให้ม่เห็นแต่ความว่า ถ้าเห็นก็อย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธกลับมาที่ลมหายใจแทนอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่นั่งสมาธิถาม ค, ค, คำถามข้างหลังครับเชิญพูดดังๆหน่อยกลย้ๆกลับมา กลาวนมรสการพระอาจารย์ครับก็เดิมมีทำทานแล้วก็รักษาศีลห้าอยู่ครับช่วงนี้เพิ่มการไม่นอนที่สูงรวมถึงตดมือหลังเที่ยงครับผมนั่งสมาธิได้ได้นานขึ้นจากประมาณ15นาทีเป็นราวๆชั่วโมงหนึ่งครับเดิมเนี่ยมีรู้สึกว่าพอนั่งๆ่งก็จ ะ, ะลุกลุกลุกนั่งนั่งะครับหรือว่ายกแยกหลับก็นั่งได้นานขึ้นรวมถึงว่า มีความรู้สึกเห็นเห็นตัวเองคิดแล้วก็ค่อยๆดึงกลับมาพุโทโธแต่ก็เห็นตัวเองคิดอยู่ตลอดอครับแล้วก็อย่างนั่งฟังเทศพระอาจารย์เมื่อกี้ครับคือช่วงแรกก็จะมีพุโทโธแต่ว่าพอไปสักพักมันมันหายครับผมแต่ไม่ได้ยกเอียงอะไระครับรู้ตัวอีกทีก็ผ่านไปยี่สิบนาทีก็ เหมือนคล้ายๆตื่นจากหลับอะครับแต่ไม่ไม่ได้ง่วงซึอมอะครับให้ให้ฝึกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมครับก็เวลาถ้าฟังธรรมก็ไม่ต้องใช้พุโทโธใช้เสียงธรรมแทนก็ได้จะได้ความรู้เราก็จะจะไม่เผลอเพราะเราต้องติดตามเสียงธรรมไปเรื่อยๆเพื่อเกิดความเข้าใจเราก็จะมีสติอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราใช้พุโทโธ บางทีสติเราอ่อนกําลังลงพุโทโธหายไปตอนนั้นสติเราก็หายไปด้วยเหมือนหลับแต่มันไม่หลับแต่มันก็หลับมันไม่มีสติเพราะฉะั้นถ้าเวลาฟังธรรมนี้ควรจะฟังเสียงธรรมจะดีกว่าไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจเขา้ามันง่ายกว่ามันสบายกว่าแล้วได้รับประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเวลาเรานั่งของเราเองนี้ก็ต้องใช้พุโทโธหรือใช้การดูลมหายใจเขา้า เข้าใจแล้วครับเศรษจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติให้ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นครับเพราะว่าเวลาเราไม่กินอาหารนี่มันก็จะทําให้เราไม่ง่วงนอนสติเราก็จะดีขึ้นเวลาเราง่วงนี่สติมันจะน้อยลงไปเวลาท้องอิ่มนี่ยมันจะทําให้เราง่วงพองง่วงสติมันก็เลยไม่มีมันก็เลยนั่งหลับแต่ถ้าเวลาเราไม่ง่วงเรากินอิ่มแล้วไม่ไม่ถึงกับอิ่มมากคือยังมีความหิวบ้างนิดๆหน่นนอยๆ แต่ไม่ถึงกับทรมานใจมันก็จะทําให้เรามีสติดีขึ้นฉันพยายามรักษาถห็นข้อนี้ได้ก็ดีนะคือลดลดการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วต่อไปก็จะเอาแค่มือเดียวเลยก็ได้ถ้าสองมือยังง่วงนอนอยู่ยังมีอาการง่วงอยู่ก็ลองเอามือเดียวดูนะขอสอบถามอีกเรื่องคือเรื่องของการเดินจงกรมะครับคือ ให้รู้สึกว่าร่างกายเดินไปเดินกลับไปกลับมาแต่ให้ใจระลึกถึงพุโทโธอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ก็เหมือนกับนั่งสมาธิเพียงแต่เราเปลี่ยนจากการนั่งมาเดินแต่เวลาเดินเราก็ต้องมีสติอยู่การเดินด้วยต้องดูไปข้างหน้าด้วยว่าเรากำลังจะเดินไปเหยียบอะไรหรือเปล่าแต่ในใจเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะ ด, ดูดูที่เท้าอย่างเดียวก็ได้ หรือว่าเางเก้าวเท้าซ้ายก้าเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้เหมือนกันแทนพูดโธได้พอดีลองลองเดินแบบหลับตาดวครับแล้วยืนอยู่บนบนเสือคล้ายๆเสือโยคะครับพระอาจารย์ก็มันก็จะได้เราจะได้หลับตาแต่ยังเดินอยู่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็พติเวลาเดินมันต้องลืมตาท่านพูดถึงตามปกติ เพราะเราจะต้องมีสติรู้ว่าเรากำลังจะเดินไปไหนจะไปเหยียบอะไรหรือเปล่าถ้าเราหลับตานี้มันก็เดี๋ยวเดินไปชนคนนั้นชนชนสิ่งนี้ได้แต่ถ้าเดินบนบนบนลานเดินเช่นสมัยนี้เขามีเครื่องออกกําลังกายอย่าเงี้ยแล้วเดินมนนั้นอยากจะหลับตาก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทําได้ครับขอบคุณครับอาจารย์แต่ต้องมีสตินะต้องมีสติรู้ตัวว่ากําลังพูดโธหรือกำลังเล่าเท้าซ้ายเท้าขวาไปครับนี่นะ อ, อยากให้ใจคิดเป้าหมายของการปฏิบัติก็ให้หยุดความคิดเั่งนี้เพราะหยุดความคิดแล้วใจเราจะสงบแล้วมีความสุข okay. ขอบคุณครับคำถามจากคุณทีคทัธานาค่ะ ทำจิตอย่างไรเมื่อจิตวัยและเก็บผัสะมาเป็นสัญญาต้องคอยทําสมาธิเสมอๆเพื่อกําจัดสิ่งนั้นหรือควรทําอย่างไรให้รู้ตัวแล้วกําจัดทันทีขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ะก็ต้องเจริญสติให้มากก่อนเพราะถ้ามีสติเราก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินี่ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันคิดเราก็จะหยุดมันไม่ได้หรือจะหยุดได้ก็หยุดแค่แป๊บเดียวพอ เผลอปั๊บมันก็กลับไปคิดใหม่ที่นี้พยายามฝึกสติทั้งวันงั่งสมาธิสลับกันไปแล้วเราจะมีกำลังหยุดความคิดได้ต่อไปเราจะรู้เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรคําถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะเราจะดูได้อย่างไรครับว่าเราอยู่ในสภาวะว่าเราอยู่ในสภาวะธรรมของอรูปฌานและยังไม่หมดเกดิเลสเพื่อไม่ให้หลงไปเกิดในอรูปภมครับ ก็ต้องใช้สติปัญญาคอยสอดส่องดูถ้ายังมีความโลภอยู่ term, มีความโกรธอยู่มีความหลงอยู่ก็ยังแสดงว่ายังมีกิเลสอยู่คำถามจากคุณวีว่าค่ะการขอพระอาจารย์แนะนำการนั่งสมาธิเดินจงกรมที่ถูกต้องที่ปฏิบัติเองที่บ้านค่ะก็เดินด้วยการมีสติไงเวลาเดินหรือนั่งก็ต้องมีมีกรรมฐานเป็นอารมณ์เช่นพุทโธพุทโธพุทโธ หรือถ้าเราใช้ใช้อย่างอื่นถ้าเดินก็ใช้ดูร่างกายเคลื่อนไหวดูการเดินเดินของร่างกายไปถ้านั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราไม่ใช่พุโทโธหมดแล้วใช่ไหมยังไม่มีคำถามใหม่ ค, ค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้ามีก็เชิญเข้ามาถามได้เพราะเดี๋ยวจะเลิกแล้วนี่ชาวอินโดนีเซีย ศาสตรเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดโอเคก็ว่าเหตุพระอาจารย์ Actually this question is not from me but uh, mostly mm hmm. from my friend uh, they ask how p ร a อาจ n can change someone uh, from don't want to meditate until want to meditateI don't change them it's up to them to change themselves After they listening to the benefit of, of being able to meditate, then they might be interested and change their their their mind. Mm -hmm. Before they might not understand what's the purpose of meditation. But once you know that it make make you happier, make you less less less sad, less unhappy, then you will then be interested to do the meditation. Mm -hmm. Okay. Uh, the second question, Prachan. Uh, How can someone uh, get fast progress in meditation for short time? Short time is very hard to get any progress because you don't have enough time. You have to put in a lot of time before you see any progress. So you have to be patient and don't expect that you can get any progress just doing for a short time only. You have to. Be patient and put in more time for your practice. Then one day you will get the the progress you want. Okay, okay. thank you, Prachan. a Chan. g năm mươi sáu, canh bảy, canh k h ่ In the case of practicing, the mind is fusing, the mind is sending the mind out, often, there is little a w a r e n e ม s If we do this often, is it enough to be beneficial for practice? We n e e t p r c r e s s ถูกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไป ช, ช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดพยายามหยุดความคิดด้วยพุโทโธกันไปเร่แล้วต่อไปความคิดก็จะน้อยลงเพราะกำลังของสติจะมีมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับขอบพระคุณามากจ้ะท่า